ันไก่จะกลับแล้วนะก็คือสิ่งที่เราได้สรวจไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาพิจารณายดยบ่อยนะว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะก็จริงๆแล้วก็คือการที่ให้เรามาพิจารณาให้เห็นความจริงนั่นเองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วมีความตายเป็นธรรมดา เืออะไรเพื่อที่จะไม่ประมาทในการทําชีวิตที่เหลืออยู่ให้วันคืนล่วงไปล่วงไปนั่นแหละบัดนี้เราทําอะไรอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือกลับมาพิจารณาตัวเลานั่นเองในร่างกายนี้หรือจิตใจนี้มันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นน้ำตาเป็นธรรมดาเพื่อที่จะให้เรา ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายและใจเรานี่แหละก็เพื่อการพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นทุกข์ของสิ่งเหล่านี้ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะคนเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปยึดอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเป็นความที่เรายึดมั่นในรูปและในนามของเราเป็นส่วนใหญ่ เราจะมีความยึดติดแล้วก็มีความความรักในตัวตนของเราในยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะยิ่งกว่าญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีภรรยาทั้งหมดนะก็คือตัวเรานั่นเองนะคราวนี้ก็เป็นการพิจารณาให้กลับมาละคลายความยึดถือยึดมั่นในตัวเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของเขา ความที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปนะโดยการที่พิจนาให้เห็นง่ายๆพระท่ า, า, านก็ให้กรรมฐานในขั้นแรกก็คือที่เราเห็นได้ชัดเจนในตัวเราก็คือผมขนและฟันหนังอันนี้เราเห็นได้ทั้งตัวเราภายนอกเนี่ยก็คือผมขนและฟันหนังก็พิจนาตัวในตรงนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตา อพิจารณาอะไรสักอย่างนึงซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนก็ได้ออย่างเช่นครูบาอาจารย์ในสายหลือครูมันก็ใพิจารณาอะไรก็ได้ที่เราเห็นได้ชัดน่ะผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้ <c oughs> ให้เห็นอ่พิจารณาฟันอย่างเดียวก็ได้เห็นฟันนี่โอ้สกปกนะไม่แปรงฟันสามวันก็เป็นอย่างไรนะ ใหม่ๆก็เป็นฟันน้ำนมเดี๋ยวนี้ก็เป็นฟันแท้ฟันแท้พอหักไปก็ไม่มีฟันใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วปรเดี๋ยวว่าเจ็บก็ปวดปวดฟันมีความทุกข์ทรมานอแม่งกินฟันฟันเป็นรูฟันกระทบฟันกระเทาะอกต่างๆก็ทําความทุกข์ทรมานทั้งนั้นนะพอพิจณาไปจิตก็จะได้ละคายความยึดติดในร่างกายของเรา พิจารณาเข้าไปถึงในร่างกายของเราก็มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับสิ่งเราเนี่ยก็เป็นความที่เรียกว่าเขาก็ทํางานไปตามหน้าที่ของเขาเองนะแต่เขาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็มีความเสื่อมสลายไปแล้วก็มีความถุกจากในสิ่งเหล่านั้นกระดูกพิจณาไปมันก็จะได้เกิดความอ ไม่จะติดในร่างกายของเรานะพิจารณากระดูกก็ได้หัวใจก็ได้ตับก็ได้พิจารณาเข้ามาในท้องเห็นอาหารอยู่ในกระเพาะไว้อาหารลงไปมันก็ถูกย่อยสลายนะส่วนที่เป็นกากก็ลงไปในลำไส้ใหญ่นะก็กลายเป็นหันเก่ามีกลิ่นเหม็นนะแล้วออกมาจากร่างกายของเรานะ เสี่งต่างที่มากระทบร่างกายเราก็กลายเป็นของโสโปรกไปทั้งสิ้นเราผมจีวรใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สวยงามสะอาดมาถูกร่างกายเราแค่วันเดียวนะมันก็สวปรกแล้วก็ต้องไปซักอย่างแสดงว่าร่างกายเรามีความโสโปรกมากอะไรที่มาถูกร่างกายก็สโครกทั้งนั้นนะแม้แต่สิ่งที่ออกจากร่างกายเราทุกอย่างนะ เขาเรียกว่าเป็นขี้ทั้งหมดนะขี้ตาขี้ฟันขี้หูขี้ใครนะขี้มูกนะทุกอย่างก็กลายเป็นของเน่าเหมนไปทั้งนั้นนะก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นถุงหนังถุงหนึ่งนะซึ่งภายในก็บรรจุอนะเครื่องในต่างๆอยู่นะก็ะถุงหนังนี่มันก็จะมีเครื่อง เครื่องที่น้ําที่อยู่ภายใน ต, ต่างๆภายในนั่นแหละน้าเลือดน้ําเหลืองน้นําหนองหรือสิ่งสโครกต่างๆก็ซึมออกมาจากถุงหนังเหล่านั้นส่งกินเหม็นทั้งวันนะเพราะเราจึงต้องอาบน้ําทุกวันแต่งฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันสระผมอยู่บ่อยๆ อ, อุจจาะปัสวะมีแต่สิ่งที่โสโคกสิ่งที่เน่าเหม็นออกจากร่างกายเราทั้งนั้น ก็พิจารณาเป็นในสิ่งเหล่านี้ใช้เกิดปัญญานะในการที่เราจะไม่ยึดติดนะในสังขารร่างกายนี้ว่าเป็นของเรานะพอเราไม่ยึดติดแล้วเนี่ยจิตมันก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นหลายอย่างเลยนะใครจะมาว่าเรามาด่าเรานะมานินทาเรามาตําหนิเราเราก็เฉยๆได้เพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะแต่ท้าเมื่ไรที่เรายึดว่าเป็นของเราร่างกายเป็นของเรา ตัวตนของเราเราก็มีความทุกข์ตลอดเวลาเราจะมีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ต่างๆภายนอกทั้งหลายแหล่ตลอดเวลามีความยินดียินร้ายใครมาตำหนิเราเราก็ไม่พอใจใครมองเราด้วยสายตาด้วยหางตาเราก็รู้สึกไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ก็มีความเป็นทุกข์จากความยึดติดในร่างกายของเรานี่แหละ แล้วก็้องสรรหาสิ่งต่างๆบำาเลอบำเพุงเขามีอาหารต่งตางๆมีเครื่องประทินผิวหนังให้มีความสวยงามให้เกิดรูปรสกลิ่นเสียงที่พอใจขึ้นมาจากกิเลสของเราเองเพื่อความยึดติดยึดมั่นในร่างกายของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็ไม่ใช่ผลทางความพ้นทุกข์เพราะนั้นในสายหลวงปู่มั่นจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานกรรมฐานหลัก ในสารขอมมันคือพิจารณาโดยอาศัยเชัยภูมิก็คือร่างกายนี่แหละเป็นเชัยภูมิของกรรมฐานกรรมก็คือการกระทำฐานก็คือที่ตั้งของการกระทำทำลงไปที่ไหนทำลงไปที่กายเท่านั้นเองนะพิจารณาลงไปที่กายพิจารณาลงไปทุกๆวันทุกๆวันที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในร่างกายของเรา จนเกิดความเบื่อความหน่ายความไม่ยึดติดในร่างกายของเราในส่วน น, นั้นๆมันก็จะขยายไปถึงความไม่ยึดติดทั้งหมดของร่างกายของเราเลยพิจารนานไปสมัยก่อนที่เคยไปบัติในสายสายวัดป่าก็จะแยกร่างกายเป็นสามส่วนนะใหญ่ ก, ก็เป็นกองกระดูกส่วนหนึ่งกระดูกคือ กระโหลกแล้วก็กระดูกในร่างกายทั้งหมดนะย่อยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ออวัยวะภายในนะเนื้อหนังอตับปอดเอ็นที่เป็นอวัยวะภายในทั้งหมดที่นิ่มๆนะทั้งหลายแหล่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้ําอ่ะเป็นกระดูกไม้เป็นเป็นน้ำค่ะเป็นน้ําเลือดน้ําหนองะ สิงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสามกองนะแล้วก็มาพิจารณาว่าเออตรงไหนมันเป็นตัวเราเราอยู่ตรงไห น, นในสามกองนี้อยู่ตรงไหน น, นะก็เกิดความสลดใจว่าปัญหาตัวเองไม่เจอนะพิการณาไปจนสามกองนี่มันก็ค่อยๆสลายกันไปตามสภาพของมันก็เหือดแห้งกันไปเหือดแห้งไปจนกระทั่งมันก็หดตัวลงมานั้น เนื้อหนังก็หดตัวลงมาเลยเล็กนิดเดียวน้าเลือดต้องเดือยก็แห้งไปหมดกระดูกก็ค่อยๆสลายไปะจนกลายเป็นฝุ่นเป็นผงนะพอลมพัดมาแรงๆก็ปิวหายไปหมดเลยะก็ไม่มีตัวเราอะไรอยู่แล้วมันก็มันก็คลายความยึดมั่งไปสักระยะหนึ่งก็พิจารณาไปงี้เรื่อยๆจนจิตมันก็คลายไปคลายไปคลายไปมันก็ ความยึดมั่นในตัวเราถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันความยึดมันอย่างอื่นมันก็ไม่มีไปด้วยมันก็จะได้ละจากความยึดมั่นถึงมันทั้งกลวงเมื่อความยึดมั่นไม่มีแล้วอุปท า, านก็ไม่มีนะเราก็ไม่มีเสียงต่างที่เกี่ยวข้องกับเราเมื่อล่างไกล้แล้วไม่มีนะทรัพย์สมบัติเราก็ไม่มีนะญาติพี่น้องภรรยาบุตรทั้งหลายแลก็ไม่มีทั้งสิ้นนะ เพราะว่าเมื่อลำไกรมันมีสิ่งหนึ่งก็ไม่มีมาด้วยสิ่งเหล่านี้นก็คือหนทางแห่งการที่เราจะพิจารณาเพื่อลากไข่ความยึดติดในตัวเราเนี่ยเป็นหลักนะการเจริญสติคือเหมือนกันนะเราก็มีสติที่จะรู้เท่าทันนะถึงความยินดียึดลายนะในการที่เรามีความพอใจในสภาวะของรูปเสียงกดลดิ่นรสสัมผัสหรือความนึกคิดที่มากระทบ กับร่างกายจิตใจของเราไหมทันมันไหมนะเพราะเราเห็นไม่บ่อยเราก็จะเห็นว่ามันสภาวะหนึ่งก็คือมันเป็นภายนอกทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องราวของภายนอกทั้งหมดนะไม่ว่าใครจะมาตําหนิเราใครจะมาชมเราก็เป็นเรื่องภายนอกทั้งหมดหรือใครจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราก็เป็นเรื่องภายนอกทั้งหมดส่วนภายในนี่ก็คืออย่างหนึ่งนะภายในเราไปปรุงแต่งไหมเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มือใจนคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในไม่ใช่เรื่องของภายนอกนะเรื่องของภายนอกเราไปบังคับเป็ชาก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกให้เขาอยากมาตําหนิเราเราบังคับเขาไม่ได้แต่เมื่อเขาตําหนิแล้วเนี่ยภายในเรากระเทือนไหมภายในเราไปเชื่อมต่อกับภายนอกไหมภายในเราไปอิสระไหมอันนี้จึงเป็นผู้มีสติที่จะรู้จักภายในและภายนอกนะ แล้วก็ให้เห็นรูปเห็นนามนะเปิดปัจจัยบ่อยๆก็จะเห็นเองกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเราก็จะได้เข้ามาในตรงนี้นสู่ผลทานที่มันจะออกจากทุกข์ได้จริงๆนะแต่ถ้าเราไม่มาเข้าใจในรูปในนามนะหรือในร่างกายจิตใจของเราให้ชัดเจนเรายังยึดติดอยู่เรื่อยๆนะยึดติดในสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะ มีตัวตนเราเขาเป็นมีส่วนได้เสียในทุกอย่างใครจะตำหนิเราใครจะชมเราใครจะคิดอย่างไรกับเราก็คือมีตัวตนของเราเขาเมีส่วนได้เสียแต่ถ้าเราพิจารณาในตรงนี้ชัดๆแล้วเนี่ยมันก็จะได้แยกมาความมันตัวเป็นตนมันอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเลยนะกลายเป็นความว่างเปล่าไปทั้งสิ้นจิตนะจะได้หลุดออกจากกองทุกตรงเนี้ได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาจริงๆก็คือให้เห็นความไม่เที่ยงในตรงนี้ให้ได้ก่อน เราก็เห็นความทุกข์ที่ตามมาความทุกข์กายความทุกข์ใจทุกข์กายก็มีเนี่ยอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรากระทบนี่ความหนาวความร้อนความหิวความง่วงความปวดความเมื่อยสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจก็มาในอารมณ์ต่างๆความพอใจความไม่พอใจ ความวิดชาความกลัวความเหงาความเครียดความโกรธอันนี้คือความทุกข์ที่แสดงมาในอาการต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในความทุกข์เหล่านี้นให้เห็นความทุกข์ให้เห็นให้ชัดเจนนะถ้าเราเห็นความทุกข์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะไม่มีจิตที่จะออกจากความทุกข์ได้หรอกเหมือนคนที่อยู่ในทางโลกทั้งหลายแล้วเนี่ย เ้าเห็นความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเขาเห็นไม่ชัดเจนนะเขาแก้ไขได้เร็วหิวเ็าก็ไปกินกั น, นเหงาเขาก็ไปเที่ยวนะอันนี้ก็เป็นการแก้ทุกข์เพราะนั้นเขาจะเห็นตรงนี้ไม่ชัดเจน เ, เขาสามารถแก้ได้เร็วนะคำว่าเห็นทุกข์ก็คือเห็นทุกข์เนี่ยในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือทุกประจําสังขารเนี่ยสําคัญกว่า พเราเห็นตรงนี้ว่าเราหลีกเลี่ยงเข้าไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยให้พวกเราอื่นมันเป็นความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองนะส่วนความทุกข์ฐาวรนนี่ก็คือความที่เราต้องมาเกิดเพราะเรามีความมาเกิดปั๊บเนี่ยเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะแก้ความทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดใหม่นั่นเองนะแก้ดีความไม่ต้องเกิดใหม่มันก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นความทุกข์ประจําหลังคานตายแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาตรงนี้ทำให้ได้นะอย่าง น, น้อยชาตินี้ก็ต้องให้ได้พระโสดาบันเป็นอย่างน้อยแล้วนะเพราะว่าพระโสดาบันนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรมก็ไม่เกินเจ็ดชาตนะิให้ได้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นการปิดประตูไบภูมิถ้าเราปิดประตูไบภูมิตรงนี้ไม่ได้นะก็ไม่แน่ว่าเราทำบุญแล้วปฏิบัติธรรมแล้ว แต่เมื่อเรายังไม่เป็นระโสดาบันเราก็เราไปเกิดในอบัยภูมิได้ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสันนรกได้อีกนะมันก็จะเพิ่มภบชาติของเราให้ยาวยิ่งขึ้นนะในเมื่อชาตินี้เรามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้ว้ทําไมเรายังทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ในชาตินี้นะก็เชื่อว่าเราเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วเสียชาติเกิดนะเพราะฉะนั้นในช่วงชีชวิต เวลาที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนี้ก็ให้พวกเราตั้งใจให้ดีที่จะให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ให้ได้นะอะไรที่เป็นความละคลายความยึดติดนะในตัวในตนของเราอะไรที่ทำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาในใจของเรานะก็ให้รู้เท่าทันแล้วก็ละคลายในสิ่งเหล่านั้นไปให้เล็กให้น้อยอ่นะค่อยๆละค่อยๆ ค, ค, ค, คลายไป ทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องไปรีบนะรู้ไปเท่าไหร่ก็ละไปเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นในใจเราเกิดขึ้นก่อนก็ละในสิ่งนั้นก่อนนะไม่ต้องไปตั้งใจละอะไรมากหรอกนะปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นก็ละในสิ่งนั้นละไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้ได้แล้วดวยการทำใจของเราเนี่ยให้แยกคายรู้เท่าทันกิเลส ใ, ในใจของเราไม่ยึดติดในร่างกายในจิตใจว่าเป็นของเรา ให้เห็นสภาวะเป็นเป็นัตตาเราบังคับบัญชาอะไรในร่างกายเราไม่ได้เลยนะเขจะเป็นอะไรเขาก็เป็นไปแบบนั้นจะให้ตามใจเราไม่ได้นะปริบธรรมก็มันดีตามใจไม่ได้นะทุกอย่างมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะเขาจะไปยึดในสภาวะธรรมใดๆก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นสี่สมาธิปัญญาเพราะทุกอย่างก็อยู่ในกฎประเสรลักษเหมือนกันนะถ้าเราทําใจให้แยกคาย รู้เท่าทาันการเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นนะละคายไปเรื่อยๆนะค่อยๆละคายความยึดติดควนะามยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งให้จิตเป็นลสระนะจากตัวจากตนนี้นะเราจะเข้าถึงที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในชาติปบั น, นี้เพทุกท่านจเจริญในธรรม